วิญญาณก็เกิดที่นี่ก็ดับดับจากที่นี่ไปเกิดที่โน้นดับที่โน้นไปเกิดที่นู่นอะไรอย่างนี้มากมายเมื่อเมื่อมีสติหัดกำหนดดูดังนี้ก็อาจที่จะกาหนดดูได้รู้ได้ ว่าวิญญาณนี้เกิดที่นี่ดับจากนี่ไปนั่นดับจากนั่นไปเกิดที่โน้นดับจากที่โน้นไปเกิดที่นั่นเป็นอย่างๆไปเป็นสิ่งๆไปจะเห็นว่าเป็นหมู่จริงๆมากมายแล้วก็ไม่ทีรูปอ ย, อย่างเดียวยังมีเสียงอีก เกิดที่รูปดับจากรูปไปเกิดที่เสียงดับจากเสียงไปเกิดที่กลิน่นดับจากกลิ่นไปเกิดที่รสดับจากรสไปเกิดที่ผลสภาสิ่งถูกต้องทางกายดับจากผลสภาไปเกิดที่เรื่องที่ผุดขึ้นในใจดับจากเรื่องผุด ใ, ใจก็ไปเกิดที่นั่นที่นี่เนระรวมมันเข้าทั้งหกแล้วก็จะรู้สึกว่า เป็นหมู่ใหญ่จริงๆของวิญญาณเกิดดับเกิดดับกันอยู่ทุกขณะทุกขณะไปมีสติกำหนดอยู่ดังนี้เป็นวิธีกำหนดให้รู้จักวิญญาณที่เรียกว่าหมู่แห่งวิญญาณทางตาหมูแห่งวิญญาณทั้งหูทั้งจมกูกทั้งลิ้นทางกาย อางมณะคือใจแล้วก็หัดให้เห็นเกิดดับของวิญญาณนางกล่าวมานี่ก็จะเป็นตัวสติด้วยแล้วก็ตัวปัญญาที่เป็นวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงด้วยจะมองเห็นความเกิดดับจึงเป็นดูออนิจจคือไม่เที่ยง จะทำให้มองเห็นทุกคือสิ่งที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจะมองเห็นอนัตตาว่าเป็นสิ่งที่บังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นไปอยู่อย่างนี้ดังนี้คือรู้จักวิญญาณรู้จักหมู่แห่งวิญญาณตามระเสระที่บาย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 นอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาครอรหันต์ตสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทางประธรรมและประสงค์เป็นสาระตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงประเทรนาอธิบายตอบคำถามของภิกษุทั้งหลายของท่านพระธรร ม, มเสนาบดีสาริบุตรมาโดยลำดับ จนถึงวันนี้ท่านได้แสดงอธิบายสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบว่าได้แก่รู้จักสังขารรู้จัก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 รู้จักสังขาร น, นั้นสังขารมีสามคือกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารรู้จักเหตุเกิดสังขาร น, นั้นก็คือรู้จักว่า เพราะอาวิชชาเกิดสังขารจึงเกิดรู้จักความดับสังขารว่าเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับสังขารื่อในแก่มักมีองค์แป มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นจะได้แสดงอธิบายในข้อหนึ่งที่ท่านแสดงที่แจงสังขารสามดังกล่าว แต่ก่อนที่จะได้แสดงสังขารสามจะได้แสดงใจความหรือความหมายของคำว่าสังขารก่อนคำว่าสังขารนั้น ก็ตามที่ได้ทราบกันอยู่โดยมากสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะหรือศึกษาธรรมะว่าในแก่ปรุงแต่งคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นก็เรียกว่าสังขาร การปรุงแต่งหรือความปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารโดยอธิบายว่าทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็น สิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์เดรฐานทั้งหลายสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นลินน้ำไฟลมที่เป็นภายนอกทั่วไป ที่เป็นต้นไม้ภูเขาเป็นต้นเรียกว่าสังขารคือสิ่งผสมปรุงสิ้นแม้ที่รวมกันเป็นพื้นผิภพบนี้ ว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายที่เห็นอยู่ในท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งสิ้นหรือแม่ ลมฝนอากาศเย็นร้อนที่เป็นเรื่องของโลกธกาตุอันบังเกิดขึ้นทั้งสิ้นก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง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 แต่ว่าคาทั้งแต่ว่าคานี้ท่านผู้เพ่งธรรมะบางท่านก็อธิบายเป็นอีกอย่างหนึ่งว่าสังขารที่ยังยึดถือเป็นอุปาทินสังขารสังขารที่ไม่ยึดถือ เป็นอนุปาทินากะาสังขารแต่แม้จะตีความหรือเข้าใจความอย่างไรรวมเข้าก็คือว่าบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง เรียกว่าสังขารทั้งหมดและคำมาผสมปรุงแต่งนี้ก็มีความหมายที่แจ่มแจ้งอยู่ตัวแล้วว่าไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวที่ปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆแต่ว่า มีส่วนประกอบเข้ามาหลายอย่างมาปรุงแต่งกันขึ้นซึ่งถ้าเทียบอย่างหยาบๆก็เช่นบ้านเรือน ที่เป็นบ้านเป็นเรือนก็เรียกว่าเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งรอบประกอบขึ้นด้วยทับประสมภาระเช่นไม้เป็นต้นหลายสิ่งหลายอย่างมาประกอบกันเข้า เป็นบ้านเป็นเรือนและคำว่าบ้านมาเรือนนั่นก็เป็นสมมติบัญญัติของสิ่งผสมปรุงแต่งนั้นๆบเมื่อผสมปรุงแต่งขึ้น เป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าอย่างนี้แม้คำว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี้ก็เช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง จึงได้มีพระพุทธภาศิตตัดไว้ที่แปลความว่าเพราะประกอบองค์สัมภาระคือองค์ประกอบต่างๆ ส่วนประกอบต่างๆเข้าเสียงว่ารถจึงมีฉันใดเมื่อขันทั้งหลายมีอยู่เสียงว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงมีอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้น ทุกๆอย่างดังกล่าวจึงเรียกว่าสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้นได้มีพระพุทธภาสิทธ์แสดงสังคตะลักษณะคือลักษณะของสิ่งผสมปรุงแต่งเอาไว้ว่ามีสามอย่าง คือหนึ่งความเกิดขึ้นปรากฏ2ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏ ฉะนั้นจึงได้มีภาสิทแสดงภาวะของสังขารทั้งหลายซึ่งพระใชยเป็น ทำสำหรับส่วนว่าอนิจจาวัต ส, าาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอุปาดวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้น และเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานนรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตซังวูปะสะโมสุโคความดับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นสุขดังนี้ เพราะฉะนั้นในการพิจารณาทางวิปัสสนานยกเอาทุกขลักษณะคือ ลักษณะเรื่องกำหนดหมายว่าเป็นทุกข์ขึ้นมาพิจารณาพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาโดยลักษณะที่เรียกว่าขะทุกขะ คือทุกโดยเป็นทุกขก็ได้แก่ทุกที่ปรากฏเป็นทุกข์เช่นทุกขเวทนาต่างๆที่บังเกิดขึ้นแก่ร่างกายและจิตใจ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสชี้เอาไว้ในการที่ทรงอธิบายทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์มาเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ความโศกความ รันจวนร่ำครุน่นความไม่สบายกายไม่สบายใจความรับแค้นใจเป็นทุกข์ความพลาดความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์ พิจารณาทุกโดยที่เป็นทุกขต่างๆซึ่งทุกคนต้องประสบทางกายบางทางวาจาทางกายบางทางใจบ้างอันหนึง่ง ได้จัดสอนในพิจารณาว่าเป็นทุกโดยเป็นสังขารอันเรียกวัดสังขาระทุกทุกโดยเป็นสังขารคือล้วนเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งสิ้นทุกทุกอย่าง สีสมมติบัญญัติขึ้นว่าเป็นนั่นเป็นนี่ตั้งต้นแต่รูปประกายของตนเองนามากายของตนเอง รู ป, ปกายนามกายของผู้อื่นและสัตว์บุคคลต่างๆทรัพย์สินสิ่งต่างๆทุกอย่าง ที่สมมติบัญญัติกันว่าเป็นนั่นเป็นนี่ทั้งที่ยึดถือกันว่าเป็นของเราว่าเราเป็นว่าเป็นอัตราตัวตนของเราล้วนเป็ น, นคือเป็นสิ่งผสมเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้น ส่วนที่มีชื่อเรียกกันต่างๆนั้นก็เป็นสมมติบัญญัติทั้งสิ้นและส่วนที่ว่าเป็นเราเป็นของเราก็เป็นความยึดถือเอาเองทั้งสิ้นเพราะว่า ทุกๆอย่างนั้นเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้นอันหนึ่งได้ตรัสสอนให้บิจารณาว่าเป็นทุกข์โดยเป็นวิปปน า, าเป็นเป็นวิปิปปรินามะคือความที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป เพราะทุกทุกสิก่งทุกทุกอย่างที่เป็นสังขารนั้นล้วนมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นไปตามสังขตะลักษณะ ลักษณะเพื่องกำหนดหมายแห่งสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วคือมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาเกิดย่อมดับไปและในระว่ังแห่งเกิดและดับนั้น ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆดังเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็ก เราก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงมาเป็นเด็กใหญ่ใหญ่ขึ้นโดยลำดับเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นกลางคนเป็นคนแก่เป็นคนแก่เท่าไปโดยลำดับในที่สุดก็แตกดับ คือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั่นก็แตกสลายจากการปรุงแต่งหยุดปรุงแต่งฉะนั้น เรื่องสังขารนี้จึงเป็นข้อที่ควรทำความเข้าใจและพิจารณาในทางปิปัสนากรรมฐานได้เป็นอย่างดียิ่งตามที่เจ้าได้ทรงสั่งสอนแต่ในที่นี้ก็ต้องการที่จะให้ มีความเข้าใจในความหมายของคำว่าสังขารเพียงว่าได้แก่สิ่งที่ผสมปรุงแต่งขึ้นหรืออาการที่ผสมปรุงแต่งขึ้น เรียกว่าสังขารและที่ท่านจำแนกสังขารไว้เป็น3คือกายสังขารเมื่อจีสังขารจิตสังขาร กายสังขารนั้นก็ได้แก่ปรุงแต่งกายอธิบายว่าลมอัดสาสะปัดสาสะคือลมให้ใจเข้าลมให้ใจออก <c oughs> ได้ชื่อว่ากายจะสังขารปรุงแต่งกาย เพราะว่าเป็นเครื่องบำรงปรนปรือกายอยู่ตลอดเวลากายดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมอะะัดสาปัสสัปัสสาสะบำรงปรนปรืออยู่ตลอดเวลา ไม่มีหยุดดังจะเพิ่งเห็นได้ว่าทุกๆคนนั้นไม่มีหยุดหายใจตายยังดำรงอยู่ได้ที่เรียกว่าชีวิต อักยุดหายใจเมื่อใดกายก็ดำรงอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นลมอัศาสะปัศาสะจึงเรียกว่ากายอย่าสังขาร